เทุติยทุตถโทสัสสิขาบทว่าด้วยภิกษุขัดเคืองมีโทสัสสิขาบทที่สองเรื่องพระเมติตยะและพระภูมิฉกะ391สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นพระเมติตยะและ พระภูมิกะกำลังลงจากภูเขาคิจกูฏมองเห็นแพะตัวผู้กับตัวเมียกำลังสืพันกันจึงกล่าวว่าเอาเถิดพวกเราจะสมมติแพะตัวผู้เป็นพระทัพพระมรรบุตรสมมติแพะตัวเมียเป็นภิกษุณีเมติยาจะกล่าวว่าครั้งก่อนพวกเรากล่าวหาพระทัพพระมรรบุตรด้วยได้ยินมาแต่บัด น, นี้พวกเราได้เห็นพระทัพพระมรรบุตร เสดเมทุนกับภิกษุณีเม э ติยาด้วยตนเองท่านทั้งสองได้สมมุติพระภาพม้ามะบุตรเป็นแพทย์ตัวผู้สมมุติภิกษุณีเม э ติยาเป็นแพทย์ตัวเมียแล้วแจ้งให้ภิกษุทั้งหลายทราบว่าครั้งก่อนแต่บัดนี้พวกเราได้เห็นพระทาพผ้ามรบุตรเสดเมทุนกับภิกษุณีเม э ติยาด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนี้ ท่านพระทัพพระมรบุตรจะไม่ทำกรรมเช่นนั้นแล้วนำเรื่องนี้ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ